ญาติโยมทั้งหลายธรรมาพระบ้านนอกเ น, ะนาะนานเข้ากรุงเทพอันนี้มาลิ้มรสชาติรถติดของคนกรุงเทพ <c oughs> พวกเรามาสนใจธรรมะดีแล้วนะศึกษาธรรมะแล้วมีแต่ความสุขมีความสุขมากจริงๆนะเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เป็นคารวะอย่างพวกเราทํามาหากินมีชีวิตที่มีความสุขของคารวะ ครูบาอาจารย์ท่านเห็นว่าภาวนามานานแล้วท่านก็เลยบอกให้มาบวชกานภะาวนาทีแรกๆหัดทีแรกก็อยากบวชนะแต่ว่าพอภาวนาไปช่วงหนึ่งล้วก็พบความจริงอยู่ข้อหนึ่งว่าคารวะก็ทําได้นะธรรมะเนี่ยไม่ใช่ของพระล้วนๆนะธรรมะเป็นของกลางนะพระทําได้คารวะก็ทําได้เหมือนกัน นี่พอภาวนาไปเจนเห็นอย่างนี้นะใจมันก็เป็นกลางกลางก็คิดว่ายังไม่มีโอกาสบวชก็ยังไม่บวชหรอกถ้ามีโอกาสแล้วก็จะบวชคิดอย่างนี้อยู่ไปนานๆก็รู้สึกว่าโอกาสน้อยนะหลวงพ่อต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปบวชนะไม่มีใครดูแลนะนก็ผิดหน้าที่ของลูกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราทิ้งหน้าที่ของเรานะ เป็นคารวาก็มีหน้าที่ของคารวะเป็นพระก็มีหน้าที่ของพระถ้าเป็นคารวะแล้วทิ้งหน้าที่นะเป็นพระก็ทิ้งหน้าที่อีกแหลนะนี่ต่อมาพออยู่มาหลายหายปีครูบาอาจารย์ท่านก็บอกให้มาบวชทันทีเลยบอกท่านบอกว่าถ้าพ่อแม่ตายแล้วจะมาบวชนะไม่มีไก่เลี้ยงไม่กว่าจะบวชได้หลวงพ่ออายุเยอะนะสีนะ่สิแปดเนี่ยถึงจะได้บวช เลยเป็นพระพันสาน้อยๆนะต้องเก็บเนื้อเก็บตัวนี่หลวงพ่อเห็นว่าจริงๆแล้วพวกเราเป็นค า, ารวาสเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่ได้เนิ่นช้าเลยการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราปฏิบัติเมื่อไหร่เมื่อตามมองเห็นเมื่อหูได้ยินเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายสัมผัสเมื่อใจคิดนึกปรุงแต่ง จะเป็นคารวาสหรือเป็นพระนั้นก็มองเห็นก็ได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้คิดนึกปรุงแต่งเหมือนๆกันแขอให้จับหลักให้แม่นๆเท่านั้นเองพอตามองเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจปรุงแต่งเนี่ยให้คอยรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองบ่อยๆอันนี้เป็นธรรมะที่เหมาะกับคารวาสนะเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคารวาสมันเป็นกรรมฐานการดูจิตดูใจเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนในเมือง คนที่ต้องทำงานรีบร้อนทุกวันทุกวันเราไม่มีเวลามากมายที่จะทำสมาธินาน น, านไม่มีเวลามาค้นคว้าพียารณาหรือว่ามาทากรรมฐานในรูปแบบนาน น, านแต่และวันแต่และวั น, ววนเช่นจะเดินจงกรมหลายๆชั่วโมงอะไรเงี้ยเราไม่มีเวลาเราก็ต้องทำกรรมฐานเท่าที่เราทำได้กรรมฐานที่ทำได้ง่ายสำหรับคนในเมืองก็คือการดูจิตดูใจของตัวเอง ใจิตใจของเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทุกวันเปลี่ยนแปลงทั้งวันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่มีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพอตามองเห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจคิดนึกอะไรยเงี้ยความยินดียิ น, ยนร้ายทั้งหลายมันเกิดขึ้นที่ใจให้เราคอยมีสติรู้ทันถ้หัดไปอย่างนี้นะไม่นานก็จะเข้าใจธรรมะได้ด้วยตัวของเราเองเราจะพบเลยว่า ทุกสิ่งที่ใจของเราไปรู้เข้าเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยความสุขที่เกิดขึ้นก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอ่ากุศลของชั่วคราวทั้งหมดเลยการที่เราคอยเห็นจิตใจนี้เปลี่ยนแปลงทำงานทั้งวันทั้งคืนทุกอย่างชั่วคราวนะทุกอย่างบังคับไม่ได้อย่างจิตจะสุขหรือทุกข์เลือกไม่ได้จิตจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเลือกไม่ได้นการที่เราเห็นอย่างนี้เรียกว่าเราเข้าใจธรรมะเราเห็นธรรมะนะ พวกเราหลายคนปฏิบัติหลายปีแล้มาบ่นกับหลวงพ่อนะบางทีก็เที่ยวบ่นไปเรื่อยๆว่าปฏิบัติหลายปีทําไมใจมันไม่มีธรรมะสักทีใจไม่ได้ธรรมะไม่มีดวงตาเห็นธรรมเพราะในความเป็นจริงแล้วพวกเราไม่ได้อยากเห็นธรรมะนะเราอยากเห็นของหลอกๆอย่างสิ่งที่พวกเราปรารถนาคือเราปรารถนาความสุขถาวรปรารถนาจะเป็นกุศลตลอดเวลากุศลถาวรนะ ลัทธนาความสงบถาวรเนี่ยเราไม่ยอมรับความจริงหรอกความสุขมันก็ไม่เที่ยงความสงบความดีอะไรทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นแต่เราต้องการสิ่งซึ่งมันไม่ใช่ความจริงต้องการสิ่งที่สุขถาวรดีถาวรสงบถาวรเราไกว้คว้าหาสิ่งซึ่งมันไม่มีจริงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราถึงล้มลุกคลุกคลานไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราปฏิบัติเราคอยเฝ้ารู้ที่จิตที่ใจของเรานา น, านๆไปเนี่ยเราจะเห็นเลย สุขก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวนะดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวนะลบกฎดลงของชั่วคราวสงบก็ชั่วคลาวฟุ้งซ่านก็ชั่วคราวทุกอย่างในชีวิตนี้มีแต่ของชั่วคราวลถ้าใจเห็นตรงนี้ใจยอมรับตรงนี้ได้เนี่ยใจจะเข้าถึงธรรมะเพราะพระโสดาบันไม่ได้เห็นอะไรที่พิลึกพิลั่นอย่างที่เรานึกนะพระโสดาบันเห็นแค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาคือทุกอย่างของชั่วคลาว นความจริงก็คือสิ่งทึ่เป็นสังขารเนี่ยทั้งกายทั้งใจนะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยเป็นความปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเป็นของชั่วคราวทั้งหมดนี่ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วใจยอมรับตรงนี้ก็เรียกว่าใจเข้าถึงธรรมะใจมีดวงตาเห็นธรรมและถ้าเราตั้งเป้าหมายผิดเราปฏิบัติเพื่อจะเอาความสุขถาวรความสงบถาวรความดีถาวรเราก็จะต้องล้มลุกลุกลานเพราะมันไม่มีจริง การทำกรรมฐานจริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่ออยากจะชวนพวกเราเปลี่ยนสถานะของพวกเราเองแต่เดิมพวกเราตั้งตัวเป็นนักปฏิบัติคำว่าปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนสิ่งที่หลอกหลอนพวกเรามากเลยเนะมันหลอกหลอนคำว่าปฏิบัติเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างที่ไม่ธรรมดาต้องทำอะไรบางอย่างที่เกินธรรมดานะแล้วก็สิ่งที่ได้มาก็จะเป็นสิ่งที่ิเศษเหนือธรรมดานะ ต้องทำสิ่งที่เหนือธรรมดาเพื่อให้ได้สิ่งที่เหนือธรรมดาแต่ในความเป็นจริงแล้วหน้าที่ของชาวพุทธคือการศึกษานะขนาดพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาท่านยังจัดว่าเป็นนักศึกษาเรียกว่าเสขบุคคลเป็นผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่หน้าที่ของพวกเราชาวพุทธคือศึกษานั่นเองนะศึกษาเรื่องศีลเรื่องจิตเรื่องการเจริญปัญญาเลียไตรศิกขานะคาว่าการศึกษานะ มันให้ความรู้สึกที่ว่าสิ่งที่เราต้องทําคือการเรียนรู้ความจริงสิ่งที่ได้มาก็คือความจริงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราลงมือปฏิบัติรำเนี่ย <Yeah. S 1> เพื่อจะเอาสุขเอาสงบเอาดีถาวรอะไรพวกนี้เนี่ยมันของเหนือธรรมดานะเราก็พยายามทําอะไรที่เหนือธรรมดาด้วยการคอยบังคับกายบังคับใจตัวเองแต่ถ้าเราปรับสถานะของตัวเองมาเป็นแค่นักศึกษาเราจะเรียนรู้กายตามที่เขาเป็นเราจะเรียนรู้ใจตามที่เขาเป็น วันนึงเราก็จะเห็นธรรมดาของกายของใจว่าธรรมดาของกายของใจนี้เป็นของไม่เที่ยงนะธรรมดาของกายของใจนี้เป็นทุกข์ธรรมดาของกายของใจนี้เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เนใจเราเข้าถึงความเป็นธรรมดายอมรับความเป็นธรรมดานี่แหละธรรมะคือความเป็นธรรมดานะเรารู้ความจริงของกายของใจแล้วว่าธรรมดาเขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่มีสิ่งใดเป็นตัวเราอีกพระโสดาบันเห็นตรงนี้ต่างหากนะ งั้นถ้าเราตั้งเป้าให้ถูกว่าเราจะทําตัวเป็นแค่นักเรียนเราจะเรียนรู้กายตามความเป็นจริงเรียนรู้ใจตามความเป็นจริงจนวันหนึ่งเห็นความจริงของกายของใจเห็นความจริงเบื้องต้นละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเรานะนี่เป็นพระโสดาบันต่อมาละความยึดถือในกายได้นะได้ผ้าหนักขามีนะต่อมาถึงจะละความยึดถือในตัวจิตตัวใจนี้ได้ก็จะจบจิตในศาสนาพุทธ ถ้าเราภาวนาจนกระทั่งใจของเราพ้นจากการยึดถือในขันเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าใจของเรานี่ปลอดโปร่งมีความสุขตลอดเวลาใจของเราจะไม่ถูกบีบคัน้นพวกเราสังเกตไหมใจของเรานะมันมีอะไรบีบคั้นอยู่ตอลอดเวลาถ้าเราหัดดูจิต ด, ดูใจเราจะเห็นเลยมันถูกเข้นตลอดนะถูกเค้นถูกเค้ น, ถ, นถูกเข้นไปด้วยทั้งวันทั้งคืนถูกความอยากบีบคั้นไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าใจของเรายัางยึดถืออยู่ ยังตกอยู่ใต้อํานาจของความปรุงแต่งอยู่หรืถ้าเราเรียนรู้กายเรียนรู้ใจจนแจ่มแจ้งแท้จริงเนี่ยจิตใจจะพ้นจากอํานาจการบีบขั้นของกิเลสตัณหามีแต่ความสุขล้วนๆเลยไม่ใช่ว่าขันเป็นสุขนะแต่ใจมันเป็นสุขเพราะว่ามันวางขันได้งั้นงานที่พวกเราต้องทําคือคอยเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ใจของเราไปแต่ละวันจิตใจของเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกัน จิตใจของเราแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันบางวันตื่นขึ้นมาเศร้าหมองบางวันตื่นขึ้นมาหดหู่เนี่ยแต่ละวันไม่เหมือนกันแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันนะวันเดียวกันนี่แหละเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกไม่เหมือนกันหัดรู้ไปเรื่อยๆต่อไปเราจะเห็นได้ทีละขณะทีละขณะขณะที่มองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนไม่เหมือนเดิมขณะได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสใจคิดนึกความรู้สึกก็เปลี่ยนไม่เหมือนเดิมนะ ฝึกดูอย่างนี้เรื่อยๆในที่สุดจะเห็นแต่สภาวะธรรมเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนะไม่ยากเลยหัดทําตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการเป็นนักเรียนเป็นคนคอยรู้คอยดูตามที่เขาเป็นอย่าไปบังคับกายอย่าไปบังคับใจมันแต่ว่าไม่ใช่ว่าปล่อยกายปล่อยใจให้ทําความชั่วได้นะขั้นต่ำสูตรต้องถือศีลห้าไว้ก่อนงั้นศีลเป็นของสําคัญถือศีลห้าไว้ก่อนนะแล้วเสร็จแล้วก็มาศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจของเรา จะเห็นเลยจิตนี้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เฝ้ารู้เฝ้าดูไปจนปัญญามันเกิดปัญญามันเกิดขึ้นมามนจะเห็นเลยเออจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตเป็นของไม่เที่ยงพวกเราเชาวสาลาลูกชินที่ฟังหลวงพ่อสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งนะครั้งที่ครั้งที่ห้าพวกเราจํานวนมากที่เริ่มตื่นขึ้นมาใจมันเริ่มตื่นขึ้นมาหมายถึงว่ามันเริ่มมีสติขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้เจตนาจะมีสติ ต่อไปเราจะเห็นเลยจิตใจนี้ทํางานทั้งวันทั้งคืนเพราะเรามีสตินี่เราเห็นเลยจิตใจนี้ทํางานทั้งวันทั้งคืนจิตใจนี้เป็นของไม่เที่ยงหรอกจิตใจนี้เป็นของบังคับไม่ได้มันทํางานของมันเองไม่ใช่เราสั่งมันได้นะยังมันจะคิดดีหรือมันจะคิดชั่วเราสั่งมันไม่ได้มันจะสุขหรือมันจะทุกข์เราสั่งมันไม่ได้มันจะโลภจะโกรธจะหลงเนี่เราสั่งมันไม่ได้สักอย่างเดียวนะเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนี่วันนี้มีเวลาน้อยเนาะธรรมะสั้นๆ สั้นถ้าสั้นเท่านี้แหละถ้าทำได้นะเหลือเฟือแล้วสารที่หลวงปูดูสอนหลวงพ่อนะสอนนิดเดียวนะไม่ได้สอนเยอะหรอกถ้านั่งหลับตาเงียบๆไปชั่วโมงลืมตาขึ้นมาบอกสั้นนิดเดียวการปฏิบัติไม่ยากมันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนเท่านี้เองอ่านจิตตนเองท่านสอนให้อ่านนะ เราทำตัวเป็นนักอ่านหมายถึงว่าจิตใจของเราเป็นยังไงเราก็รู้ไปอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละถ้าไม่ได้บอกให้เราเป็นนักประพันธ์นะให้ไปแต่งเอาเองนะให้แต่งจิตอย่างง้นติดแต่งจิตอย่างนี้ไม่ได้สอนให้เป็นนักวิจารณ์ดนะ้วยจิตเป็นยังไงก็ไม่ต้องไปวิาพากษ์วิจารณ์มันท่านบอกให้เป็นนักอ่านหมายถึงว่าธรรมะอะไรปรากฏขึ้นในจิต like, ให้รู้ให้ดูไปนะหัดรู้หัดดูไปตามที่เขาเป็นนี้าฝึกอยู่อย่างเนี้ไม่นานดอกนะเราจะเข้าใจธรรมะด้วยตัวของเราเองรู้เลยว่าไม่ใช่เรื่องยากอะไร ธมะที่มันยากก็เพราะเราคิดมากคิดมากยากนานนะคิดมากยากนานถ้าคอยรู้ไปเรื่อยๆใจเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เป็นกุศลอกุศล ก, ก็รู้คอยรู้ไปเรื่อยๆนะเสร็จแล้วเราก็มีเครื่องช่วยนะตกค้ำอย่าลืมไม่พลาส่วนมร์ทำสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติในรูปแบบไม่ละเลยนะควรจะมีรูปแบบของการปฏิบัติเอาไว้เป็นเครื่องช่วยนะเพรงั้นจิตใจเราจะท้อแท้อ่อนแอลงไปได้ง่ายหลวงพ่อตั้งแต่เป็นคารวาะนะ จริงหลวงพ่อหัดภาวนามาตั้งแต่เจ็ดขวบหัดสมถะหายใจเนี่ยอยู่ยี่สิบสองปีต่อขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นหรอกไม่มีครูบาอาจารย์สมถะไปเรียนจากท่านพ่าลีวัดโศการามนะเมื่อปีศูนย์สองตอนนั้นยังเด็กเจ็ดขวบเองพ่อแม่ไม่ค่อยพาไปหรอกนะ้านะได้ไปก็ได้เรียนนิดเดียวเลยได้เรียนมาแต่สมถะหายใจเข้าหายใจออกนะ หายใจไปแล้จิตใจสงบวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านทําอยู่อย่างเงี้ยแต่ไม่เลิกนะใช้ความอดทนมากเลยมันเคยชินมันอยากปฏิบัติทำไมอยากเขาไม่ทราบนะแต่ว่ามันสนใจตั้งแต่เด็กๆ อ, อยากปฏิบัติทุกวันตกค่าไหว้พระสวดมนต์แล้วต้องมานั่งหายใจก็ติดเป็นนิสัยนะจนมาเจอหลวงปู่ดูลแล้วเนี่ยมาดูจิตดูใจตัวเองแล้วในชีวิตประจําวันทําได้แล้ว แต่ว่าเวลาตกค่าก็ยังไม่ลืมนะไม่พระส่วนมนทําสมาธิอะไรเงี้ยเวลาทําสมาธิเรารู้ลมหายใจไปรู้ลมหายใจไปบางวันจิตฟุ้งซ่านมากเราก็เอาใจของเราแนบเข้าไปไว้ที่ลมหายใจใจก็สงบได้พักผ่อนบางวันจิตใจเรามีกําลังแลเราก็นั่งดูจิตดูใจของเราไปเลยเนะียถ้าฝึกอย่างนี้เวลาเรามาอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยสติจะเกิดได้เร็วไม่มีอะไรสําคัญเท่าสตินะ สติสําคัญมากมีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาขาดสติก็ขาดหมดแหละขาดศีลขาดสมาธิขาดปัญญายกตัวอย่างนะส ม, มัยเรามาขอศีลพวกเราชอบขอศีลนะศีลขี้ขอขอไปเรื่อยๆนะเจอครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ชอบชอบขอศีลแต่เราไม่ได้รักษาสติไม่เจริญสติพอขอเสร็จแล้วเดี๋ยวก็หันไปคุยกันเจ้าเจ้าเจ้านะ ใจฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านแล้วนี่ศีลแหว่งไปหน่อยหนึ่งแล้จิตฟุ้งซ่า น, นพูดเพ้อเจ้อไปศีลเริ่มแหวงไปละพูดเพ้อเจ้อมากๆเดี๋ยวก็พูดเกินความจริงศีลก็ด่างพร้อยไปเรื่อยเดี๋ยวถ้าเรารักษาจิตของเราได้นะมีสติรักษาจิตอย่างเดียวเนี่ยศีลจะได้อัตโนมัติเลยสมาธิก็มีอัตโนมัติสมาธิมันมมก็คือความที่จิตมันตั้งมั่น จิตของคนทั่วไปไม่ตั้งมั่นหรอกแหว่งซ้ายแหวงขวาตลอดเพราะมันขาดสติมถูกกิเลสลากเข้าไปถ้าเรามีสติรู้อยู่ที่จิตที่ใจของเราได้กิเลสลากไปไม่ได้จิตนตั้งมั่นนะตั้งของมันเองแหละไม่ต้องรักษาดอกมันตั้งของมั น, มนได้เองนี่มีสติไว้ก็เกิดปัญญามีสติมันก็รู้กายรู้ใจได้ในที่สุดก็เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ปัญญาอยู่ตรงนี้นี่ฝึกไปเรื่อยๆนะมีความสุข รออยู่ข้างหน้ามากมายหลายคนจนะรู้สึกว่าทุกวันนี้ก็สุขอยู่แล้วมันก็สุขนะมันสุขสุ ข, สขดิบดิบนะอยู่กับโลกนะลงภาวนาไปเรื่อยๆนะเข้าถึงจิตถึงใจของเราเราจะมีความสุขเป็นลําดับลําดับไปอย่างหลายคนเคยเครียดมากๆมาฟังธรรมะจนกระทั่งสติเกิดขึ้นมาแค่สติเกิดก็มีความสุขแล้วนะเดี่ยหลวงพ่อเดี๋ยวนี้มีพยานเป็นร้อยๆเลยเยอะแยะเลย คนที่ฝึกฝึกไปจนสติมันเกิดนมีความสุขขึ้นมาได้เองอยู่ๆความสุขโชยขึ้นมาแผ่วๆมีความสุขขึ้นมาไม่ได้ทําอะไรนะมีความสุขขึ้นมาเพราะใจมันมีสติบางทีก็มีความสุขใจมันตั้งมั่นมีสมาธิก็มีความสุขมีปัญญาก็มีความสุขมีวิมุตต์ใจมันปล่อยวางนะไม่ยึดถือกายยึดถือใจยิ่งมีความสุขใหญ่ดังนั้นเราปฏิบัติแล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นถ้าปฏิบัติถูกนะ ถ้าปฏิบัติผิดจะมีความทุกข์เยอะเลยหลายคนปฏิบัติจนเพี้ยนหรือปฏิบัติจนเดี้ยงแข้งขาเคล็ดคอเคล็ดหลังเคล็ดนะหัวแข็งทื่อๆอะไรนี้อันนี้ทำผิดหรอกถ้าทำถูกเราจะมีแต่ความสุขกายเบาจิตเบานะมีแิดความสุขล้วนๆค่อยๆฝึกไปใครมีอะไรจะคุยบ้างวันนี้ให้หลวงพ่อพูดอยู่คนเดียว กับนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะขอเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าตอนตอนนี้นะคะคือตอนนี้นะคะ่ะมีความรู้สึกว่าแบบเหมือนสงสารตัวเองอะคะ่ะก็คือน้ำตาจะไหลเป็นบางครั้งอะคะ่ะแล้วก็แต่ว่าจิตใจไม่ไม่ไม่เศร้าหมองอะคะ่ะแบบโปรกบานะคะแล้วก็บางครั้งก็แบบเหมือนเรา เกิดความโกรธขึ้นมาแต่เรารู้ว่าค่ะคือจิตจะแบบไม่ไม่โกรธตามอะค่ะแล้วเวลาที่เราคิดไม่ดีนี้ก็จ ะ, จะเหมือนกับว่ามีให้เรารู้ว่าค่ะแล้วก็จะหายไปเลยอะค่ะอย่างนี้ถามพระขอคําแนะนําจากพระอาจารย์นะแล้วจะให้แนะนําอะไรก็เห็นดีแล้วนี่คืออย่างเวลาความโกรธมันเกิด น, นะทันทีที่เรามีสติรู้ว่าโกรธแต่ว่าโกรธจะต้องดับทันทีนะ กิเลสเดยวถ้าเราเกิดสติขึ้นเมื่อไหร่กิเลสจะต้องดับทันทีไม่มาค้างคาอยู่เลยจะต้องฝึกเรื่อยๆจนสติมันเกิดแต่ขณะนี้จิตไม่ตั้งมั่นดู อ, อกไหมจิตยังไม่ตั้งมั่นนะดูออกเปล่าจิตมันมาอยู่ที่หลวงพ่อดูออกไหมค่ะใจเราใจต้องตั้งมั่นด้วยน ะ, ะมีสติมีสมาธิ ค, ความตั้งมั่นของจิตในตัวสำคัญเลย ส่วนมากถ้าใจเราไม่ตั้งมั่นนีมันเไม่เกิดปัญญาจริงสติสมาธิปัญญาในการทําสมถะกับ ว, วิสปัสนาก็ามไม่เหมือนกันสติของสมถะเนี่ยเราเอาสติเข้าไปกําหนดไว้เราชอบกําหนดนะเช่นเราจะรู้ลมหายใจเราก็กำหนดไปที่ลมแล้วตามลมให้แนบให้จิตมันแนบกับลมหรือจะดูท้องพองยุบนะเราเอาสติกําหนดไปที่ท้องกําหนดไปที่เท้าเราจะกลายเป็นการเพ่งตัวอารมณ์จะได้สมถะ นะส่วนสติของวิปัสนาเนี่ยมันจ ะ, ะระลึกรู้อารมณ์นะการกําหนดอารมณ์กับการะระลึกรู้นี่ไม่เหมือนกันนะสติในพระไตรปิฎกท่านใช้ว่าความะระลึกได้แตนะ่ความะระลึกได้หมายถึงว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ะระลึกได้ว่าสภาวะนั้นเกิดขึ้นแลนะเพราะฉะนั้นจะไม่จงใจนะสติของสมถะเนี่ยเริ่มต้นด้วยความจงใจไปกําหนดไวนะ้สติของวิปัสนาเนี่ยมันจะเกิดเอง จะเกิดขึ้นเองจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นเองเช่นใจกําลังลอยๆยเผลอๆ อ, อยู่มันเราลึกขึ้นได้ว่าเผลอเนี่ยปั๊บเนี่ยความเผลอขาดสะบั้นเลยหรือโกรธอยู่นะเราลึกได้ว่าโกรธนะความโกรธจะขาดสะบั้นเลย <S <S นี่เป็นสติตัวจริงนะสมาธิก็ต่างกันสมาธิในการทําสมาธานี่เราจะเอาจิตเข้าไปแนบไว้ที่ตัวรมมันเป็นการเพ่งตัวรมจิตจะแนบเข้าไปที่ตัวรมเช่นเวลาเรารู้ลมหายใจเนี่ยจิตจะไปเกาะอยู่ที่ลมแนบอยู่ที่ลมไม่หนีไปที่อื่น เราก็เรียกว่ามีสมาธิแต่วิปัสสนาเนี่ยต่างกันจิตจะไม่เข้าไปแช่อยู่ที่อารมณ์เวลาที่เราจเจริญวิปัสสนาจริงจิตจะตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ไม่ใช่ตั้งแช่นะตั้งมั่นกับตั้งแช่ไม่เหมือนกันตั้งมั่นเนี่ยจิตจะอยู่ต่างหากเห็นกายยืนเดินนั่งนอนไปนะจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูจิตตั้งมั่นอยู่ต่างหากเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ตั้งมั่นกับตั้งแช่ไม่เหมือนกันตั้งมั่นจะสักว่ารู้อารมณ์ไม่ถล่มเข้าไปแช่อยู่กับอารมณ์ปัญญาก็ไม่เหมือนกันนะ ปัญญาของสมถะเป็นแค่ความฉลาดที่จะข่มนิวรณ์ส่วนปัญญาของวิปัสนาเนี่ยเห็นกายเห็นใจเป็นใจรักนั้นใจยังไม่เหมือนกันแต่ว่าตอนเนี้ยต้องไปดูก่อนนะใจยังไม่ตั้งมั่นดูออกไหมใจมันกระจายออกมาข้างนอกค่ะแต่ยังกระจายอยู่ยังคิดไม่เลิกหรืรู้สึกไหมค่ะฟังหลวงพ่อพูดเราก็คิดตามไปเรื่อยๆดูอวกรรหรือเปล่าใ่ค่ะแล้วอย่างนี้เราต้อง ต, ต้องตามดูไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ ห, <า>หัดรู้สภาวะนะหัดรู้ทุกวันต้องซ้อมเช่นเราหัดพุทโธไปหัดหายใจหรือหัดดูท้องพองยุบอะแล้วก็หัดดูสภาวะธรรมเช่นหายใจไปพุทโธไปดูท้องไปแล้วจิตแอบไปคิดรู้ทันจิตเข้าไปเพ่ง <c oughs> รู้ทันจิตเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็ให้หัดสังเกตอันหนึ่งเวลาที่เราเจริญสติในชีวิตประจำวันมากเกินไปเราทิ้งสมาธิทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบ ใจไม่ค่อยตั้งมั่นมันจะรู้เหมือนกันนะแต่รู้นอกๆรู้เข้าไม่ถึงฐานของมันหรอกอย่างของคุณตอนนี้มันไม่เข้าถึงฐานนะเดี๋ยวไปสังเกตเอาการนมัสการหลวงพ่อค่ะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วหนูหนูได้ไปนั่งสมาธิครั้งแรกที่นั่งสมาธิต่อหน้าครูอาจารย์นะคะคือหลวงพ่อศรีธนนะะแล้วก็ตอนนั้นคิดว่าตัวเองอะได้จิตผู้รู้ แล้วหลังจากนั้นมาหลวงพ่อบอกว่าให้ปฏิบัติบ่อยๆหนูก็ไปยุ่งกับทางโลกจนไม่ได้ปฏิบัติ ท, ทํำยังไงก็ไม่ได้พบสภาวะเก่าพอมาต้นปีที่แล้วหนูมาฟังซีดีหลวงพ่อว่าให้ระลึกรู้สภาวะธรรมตามนั้นก็หนูก็นานๆจะจะระลึกรู้ได้วันหนึ่งจะจะครั้งหนึ่งสองครั้งนะค่ะถึงจะว่าสั ม, มาสั ม, มาสามมาัสา ม, ม, าสามมาสมาทิสมาสติขึ้นมาแล้ว พอมาตั้งใจปฏิบัติทราบว่าจิตมีอยู่มีอยู่ไปใน้หกทางใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจพอตั้งใจทําวิ่งตามไปตามประตูต่างๆก็รู้สึกว่าปวดหัวมากเลยฮะพอพอไม่ปฏิบัติเป็นคนดูอยู่ตรงกลางก็จะหลงเผลอไปทั้งวันไม่ทราบจะปฏิบัติยังไงต่อนีปฏิบัติไม่ได้หรอกนะหลวงพ่อถึงบอกว่าเปลี่ยนจากนักปฏิบัติมาเป็นนักเรียนซะ สังเกตไหมจิตของเราชอบวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสังเกตไหมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่วิ่งบ่อยที่สุดทางไหนดูออกไหมทางทางคิดนะคะทางใจหนีไปคิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาปฏิบัติเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปไล่ที่ทวารทั้งหกนะให้รู้อยู่ที่มโนทวารที่ใจอันเดียวเพราะฉะนั้นอย่างตามองเห็นเนี่ยใจเมื่จะคิดต่อแล้วก็ยินดียินร้ายเช่นพอตามองเห็นคนคนหนึ่งเดินมา มันจำได้ขึ้นมาว่านี่เพื่อนเราไม่เจอนานแล้วอยากเจอมันจะดีใจให้รู้ที่ความดีใจให้รู้ที่มโนทวารที่ใจอันเดียวแล้วหูกระทบเสียงได้ยินคนเขาชมมันดีใจก็รู้อยู่ที่ใจว่ามันดีใจไม่ต้องไล่ออกทางตาหูจมูกลิ้นกายนะรู้อยู่ที่ใจอันเดียวนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ปิดตาหูจมูกลิ้นกายเปิดออกไปรับอารมณ์ตามธรรมดารับอารมณ์กระทบอารมณ์ตามธรรมดาแล้วให้ให้ใจนี้มันกระเทือนขึ้นมาตามธรรมดา มันจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วยินดียินร้ายขึ้นมาเรามีหน้าที่คอยดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเราจะเห็นว่าใจเราเปลี่ยนทั้งวันดูเพื่อเอาตรงนี้นะไม่ใช่เพื่อให้นิ่งนะแล้วถ้าอยากได้จิตผู้รู้ไม่ยากหรอกถ้าเมื่อไรเห็นว่าจิตกาลังหลงอยู่เมื่อนั้นจิตผู้รู้ก็จะเกิดนะเมื่อไรรู้จิตผู้หลงนะก็จะเกิดจิตผู้รู้นี่เป็นความลับนั่นเนี่ย หลวงพ่อค ะ, ะในฐานะที่เป็นครารวะเราทราบแต่ว่าว่าเรามาอาศัยร่างกายนี้อยู่เพียอยู่ในโลกช่วงช่วระยะเวลานึงแต่ว่าเรายังไม่รู้ตามความเป็นจริงถ้าเกิดเราต้องเผชิญกับความตายอะคะเราจะปฏิบัติรู้กายรู้ใจหรือว่าเราจะระลึกถึงบุญความดีที่เราเคยทําหรือระลึกถึงพระรันตนาไตดีคะตรงนั้นเราจงใจระลึกไม่ได้นะเพราะจิตนี้เป็นของบังคับไม่ได้รู้สึกไหมอยู่ๆบางทีเราก็นึกอะไรที่ดีบ้างไม่ดีบ้าง มันบังคับไม่ได้นะหน้าที่ของเราก็คือจะต้องฝึกจิตใจของเราเนี่ยให้คุ้นเคยกับอารมณ์ฝ่ายกุศลไว้นะเช่นเราคอยคิดดีๆทั้งวันพูดก็พูดดีๆนะทําก็ทําดีๆเนี่ยให้จิตใจเคล้าเคลียอยู่กับคุณงามความดีจนมันเคยชินมันอัตโนมัตนะิเวลาคิดก็คิดดีเวลาพูดก็พูดดีในเวลาเราจะตายขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะปรุงดีขึ้นมาเพราะมันเคยชินที่จะดีแต่ถ้าจิตเคยชั่วนะมันก็จะปรุงไปตามความเคยชิน การที่เราคอยทำความดีเนืองๆจนเป็นอาจินกรรมเรียกว่าอาจินกรรมทำบ่อยๆทำเป็นประจำถ้าอาจินกรรมของเราเป็นฝ่ายดีเวลาจะตายเนี่ยโอกาสที่จะไปดีก็สูงแต่ยังมีนะมีตัวเบี่ยงเบนนะมันมีกรรมสุดท้ายเลยตัวสุดท้ายขนาดจิตสุดท้ายนะบางทีเบี่ยงเบนได้เหมือนกัน คนนี้ถามบอกว่าเวลากิเลสเกิดนะเวลารู้แล้วมันไม่หายทันทีสังเกตไหมที่มาถามหลวงพ่อเนี่ยต้องการให้มันหายใช่ไหมไม่ไช่ต้องการให้มันหายครับแต่ว่ารู้เปเฉยว่าเออถ้าราคะเนี่ยมันเกิดแป๊บเดียวนะแต่มันก็ยังเกิดช่วงสั้นกว่าธรรมะมันมันแล้วแต่คนนะออถ้าพวกไหนราคะกล้าก็แพ้ราคะราคะเกิดแล้วครอบงาได้ ถ้าพวกไหนโทสะกล้าโทสะเกิดมาครอบงําได้ราคาไม่ค่อยจะครอบงำํำเป็นคนๆแต่ละคนไม่เหมือนกันนะนี้อีกทีแต่ว่าสติควจริงยังไม่เกิดใช่ไหมครับที่ว่ามันยังไม่หายตงนีให้พ่อพูดเพราะว่าในใจลึกๆเนี่ยบางทีคอยไปลุ้นว่าเมื่อไหร่มันจะดับนะถ้ามีลุ้นนิดเดียวนะยังไม่ใช่ของจริงอะ่ะยังรู้ว่ายังไม่เป็นกลางนะถ้ารู้แล้วเป็นกลางแท้จริงนะเช่นกิเลสเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันว่ากิเลสกําลังปรากฏเนี่ย ใจมันจะไม่รู้สึเลยว่าเมื่อไหร่จะดับนะเราจะไม่รู้สึกเลยว่าทําไมกิเลสเกิดนานเกินไปนะครัว่าเกินไปเนี่ยเพราะว่าเราไม่ชอบนะทําไมความสุขสั้นเกินไปเนี่ยเพราะเราชอบเพราะฉะนั้นใจใจที่ยังไม่กลางนะสติยังไม่ตัวแท้หรอกนะถ้าสติตัวแท้เกิด น, นะใจจะเป็นกลางนะให้เรารู้ทันถ้าใจไม่เป็นกลางนะให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลาง และอีกจุดหนึ่งก็คืออย่าไปจ้องใส่มันเวลารู้เนี่ยให้สักว่ารู้อย่าถลำลงไปจ้องใส่ถ้าไปจ้องใส่จะเครียดเครียดอ๋อนี่เห็นหลวงพ่อใกล้เป็นลมแล้วส <c oughs> งบสักหน่อยนะฉะลองศรัทธาห <c oughs> นุ่มเสื้อแดงใจลอยไปแล้วทราบไหมห <c oughs> นีไปไ<ม>คิด<ม>แล้ว หลวงพ่บอกแล้วพอนึกออกบ้างไหมอย่างเมื่อกี้เนี่ยเรามีกายเหมือนไม่มีมีใจเหมือนไม่มีแล้วมันลืมกายลืมใจตัวเองเวลาที่เราลืมกายลืมใจเนี่ยส่วนใหญ่จะหนีไปคิดรู้เรื่องที่คิดบ้างไม่รู้บ้างขนาดที่เรารู้เรื่องที่คิดนะอย่างเรียกว่าขาดสติเลยนะขาดสัมมาสติอาจจะมีสติอย่างโลกโลกแต่ขาดสัมมาสติเพราะสัมมาสติเป็นตัวระลึกรู้รูปนามรู้กายรู้ใจเมื่อไรล่ลืมกายลืมใจไม่นั้นเรียกขาดสติ อย่างตั้งใจฟังหลวงพ่อตอนเนี้รู้สึกยังไงรู้สึกว่าบางทีก็ฟังาบางทีกร็รู้รู้บ้างอะไรอเงี้ย <นะ S 1> จงใจทําเยอะไปยังแข็งไปแล้วให้ให้เป็นธรรมดากว่านี้นะตั้งใจเยอะไปลดความตั้งใจลงแต่ไม่ใช่ให้ขี้เกียจนะอะตั้งใจมากใจมันจะแข็งแข็งอย่างเงี้ยใจมันจะแข็งเกินจริงนึกออกไห ม, มจะมีส่วนที่เกินจริงอยู่ ค, คือแทนที่เราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง เราไปบังคับใจให้นิ่งๆทื่อๆเนีนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นศัตรูของการทำมิปัสนาเรามี2ตัวอันหนึ่งเผลอไปใจลอยไปพอเราเผลอไปใจลอยไปเรารู้กายรู้ใจไม่ได้อันที่สองเราไปทําใจให้นิ่งๆทื่อๆไว้เราไปเพ่งไว้กําหนดไว้ประคองไว้นะกายก็แข็งแข็งใจก็แข็งแข็ๆนะกายไม่ค่อยเคลื่อนไหวใจไม่ค่อยเคลื่อนไหวเนี่ยไม่รู้ไม่ตรงความจริงแนละ้วเพราะฉะนั้นอย่าไปบังคับให้เขานิ่ง เราต้องการให้เห็นว่าจิตนี้เป็นของไม่นิ่งไม่เที่ยงไม่ใช่ทําให้มันเที่ยงนะแต่ว่าวันไหนฟุ้งซ่านนั่นแหละทําสมถะสมถะก็ต้องทํานะแต่ระวังวินาทีหนึ่งคนส่วนใหญ่ติดสมถะที่ว่าั้าเกิดว่าความกกรธจะไม่ไม่รู้ว่าให้มีสติโกรธขนาดที่คุยกับหลวงพ่อรู้สึกไหมใจลอยไปและนึกออกไหมขนาดที่คุยกับหลวงพ่อเนี่ยลืมกายลืมใจรู้เรื่องที่จะคุยกับหลวงพ่อแต่ลืมกายลืมใจนึกออกไหม ตอนที่เริ่มเล่าให้หลวงพ่อฟังต่ใจมันไหลแวบไปเลยมันไหลไปในโลกของความคิดหัดรู้สึกบ่อยๆใจไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกแต่ว่าเวลาที่ไปทำงานทำมาหากินที่ต้องคิดเนี่ยต้องคิดให้รู้เรื่องนะไม่ใช่เวลาเจริญสตินะแต่ถ้าเทยาเราอยู่กับโลกธรรมดาอย่างเงี้ยใจเราไหลแวบรู้ไวๆไม่งั้นเราจะไปหลงอยู่ในโลกของความคิดไม่รู้ตัวขึ้นมาเอา้าคุณดอน กลั บ, ลบนมัสกรร า, ารพระอาจารย์และคณะของพระอาจารย์ทั้งหมดนะครับก็ผมค่อนข้างจะห่างครูบาอาจารย์นะครับก็ขอถามพระอาจารย์ว่าที่กับผมปฏิบัติอยู่นี้ไม่ทราบว่าก้าวหน้าไปถึงขน า, นานดไหนหรือว่าก้าวหน้าขึ้นแล้วทําถูกแล้วใจมันค่อยๆโปร่งขึ้นโปร่งขึ้นรู้สึกไหมคุณดอน ร, รู้สึกไหมสติเกิดเองสติเริ่มเกิดได้เองแล้วครับ เช่นกิเลสแรงๆไหลออกมาแวบมนรู้เองไม่ต้องเจตนาจะรูนะ้ดีขึ้นนะดีขึ้นแต่ระวังอย่าให้ติดเฉยก็แล้วกันมีความเฉยเกินจริงมานิดนึงนาราบนวัตกรรเแคานี้ครับผมราบนมัตการเจ้าค่ะ เ, เรียนถามนะคะว่าเวลาดูดดจิตดูกายนะคะดูกายบางทีจะรู้สึก เหมือนกับร่างกายมึนๆอยู่ในในเนี้อสัในใ น, ในกายเนะะี่ยค่ะไม่ทราบว่าปฏิบัติได้ถูกต้องไหมจ๊ะหลวงพ่อไม่ได้ยินได้ยินแต่ว่าปฏิบัติถูกไหมคือว่าเวลาดูดูจิตดูจิตดูกายนะคะพอดูกายรู้สึกจะเห็นว่าบางทีก็มึนทกีก็กายเนี่ยไหวๆอยู่ข้างในอะคะ่ะค่ะก็เลยไม่ทราบว่าปฏิบัตินี้ถูกต้องไหมจ๊ค ะ, คะการดูกายเนี่ยนะคําว่ากายญานุปัสสนาเนี่ยไม่ได้แปลว่าดูร่างกาย กายาคาว่ากายในกายานุปัสสนาเนี่ยแปลว่าที่ประชุมกายคำนี้เป็นศัพท์เฉพาะนะแปลว่าที่ประชุมเพราะฉะนั้นกายานุปัสสนาเรารู้อะไรบ้างคือรู้ที่ประชุมของรู ป, ปรธรรมคือตัวร่างกายนี้อันหนึงนะ่งจิตนะที่เป็นคนไปรู้อารมณ์ต่างๆตัวหนึ่งเจตสิก ค, คือความรู้สึกต่างๆที่ประกอบกับจิตเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูกายอย่างถูกต้องเนี่ยมันจะมีจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหาก อย่างเราเห็นว่าตรงนั้นไหวยิบยับยิบๆเนีย่ยสังเกตไหมสิ่งนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูใจเป็นคนดูอยู่ท่างหากเนะี่ยต้องมีแยกกายแยกใจออกจากกันนะเวลาที่รู้กายเนี่ยต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้กายนะเรียกรูปกับนามมันแยกกันแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจออกจากกันนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายขยับเขยืขย้อนใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะใจมันจะเบาๆไม่มีน้ําหนักนะถ้าใจมีน้ําหนักขึ้นมาแสดงว่าไม่ใช่แค่ผู้รู้ผู้ดูแล้ว จะเป็นผู้มีการจงใจมีการแทรกแซงขึ้นมาดนั้นใจก่อนที่เราจะไปรู้กายได้จริงนะีใจจะต้องตั้งมั่นดังนะั้นคนที่จะฝึกรู้กายได้ดีจะทิ้งสมาธิไม่ได้สมาธิมันทำให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมานะเช่นเราหัดพุดโทโธหรือหัดรู้ลมหายใจยมใช้กรรมฐานอะไรล่ะ า, าดูพองยุบไปนะสังเกตไหมท้องที่พองท้องที่ยุบเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าตรงนี้ดูออกไหมเดี๋ยวให้มีจิตเป็นคนดูอยู่ต่าหากนะเดี๋ยวให้แยกอย่างนี้แยกกายแยกใจไปด้วยคราวเนี้กายจะพองกายจะยุบกายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราจะเห็นทันทีว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าจิตของเราไหลเข้าไปแนบอยู่ที่ท้องคราวนี้มันจะไม่เห็นอะไรมันจะนิ่งๆนะเดี๋ยวจะเกิดอาการหองสมถ t h เช่นขนลุกขนพองตัวลอยตัวเบาตัวโครงอะไรพวกนี้ <Okay. S 1> นั่นเป็นอาการของปีติเมื่อใจโยมไหลแวบไปแล้วทราบไหมหนีแวบไปเลยนะมันหนีไปจิตเนี่ยให้เราคอยรู้ทันนะการที่เราจะดูกายได้ดีเนี่ยใจต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็เห็นกายนี้ยืนเดินนั่งนอนคู้เหยียดเคลื่อนไหวเหลียวซ้ายแลงขวาไป เห็นมันเป็นแค่สิ่งที่กำลังปรากฏเป็นรูปประธรรมที่ปรากฏใจเป็นคนรู้คนดูนะกายนั้นไม่ใช่ตัวเราจะเห็นอย่างนี้นะ่สวนที่เราเห็นไหวยิบยับยิบยับก็ใช้ได้แต่ว่าอยู่ที่ใจของเราวางถูกไหมใจของเราถอดถอนออกมาจากกายไหมใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากไหมเราจะดูกายเหมือนเราเห็นกายคนอื่นนะดูกายเหมือนเห็นกายคนอื่นแล้วถูกไหมเจ้าค่ะปฏิบัติอย่างนี้ถูกไหมเจ้าค่ะพยมบังคับมากไปนิดนึง ใจยังนิ่งเกินไปนิดนึงรู้สึกไหมมันมีความไม่ธรรมดาเวลาที่เราลงมือปฏิบัติเนี่ยจิตใจของเราไม่เหมือนจิตใจตอนที่ไม่ได้ปฏิบัติตรงนี้พอแยกออกไหมเจ้าค่ะเออดังนั้นละ่ะเราไปปรุงขึ้นมานะคือส่วนเกินที่เราสร้างขึ้นมาพอเราคิดเรื่องปฏิบัติปุ๊บเราจะต้องทําใจให้นิ่งผิดปกติเล็กน้อยเนี่ยตัวเนี้ยเราเกินขึ้นมาเจ้าค่ะเราต้องการรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นอย่าไปดัดแปลงเขา นี้เราชอบดัดแปลงเพราะว่าเราคิดว่าการปฏิบัติที่หลวงพ่อบอกปฏิบัติแป่ว่าทำจะต้องทำอะไรที่ไม่ธรรมดาเพื่อวันหนึ่งจะได้ธรรมะที่ไม่ธรรมดาความจริงธรรมะนะธรรมดาที่สุดเลยนะเค ะ, ะ, ะ, ะโยมส่งไมโครโฟนเผลอแล้วรู้สึกไหม อ, อ, อย่างเงี้ยเราอย่าแยกนะอย่าแยกเวลาการปฏิบัติเดี๋ยวขอหลวงพ่อพูดก่อนนะ พวกเรานักปฏิบัติเนี่ยถ้าเรามุม่งมรรคผลนิพพานจริงๆนะเราเยอย่าแบ่งชีวิตของเราเป็นสองส่วนว่าเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติเวลานี้ไม่ต้องปฏิบัติถ้าเรายังรู้สึกว่าตอนนี้เป็นเวลาปฏิบัติตอนนี้หมดเวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยโอกาสาที่เราจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ยังยากอยู่แต่ถ้าเรารู้สึกว่าการปฏิบัติกับการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นอ e ันเดียวกันไม่แบ่งแยกออกไปนะมันจะใกล้แล้ใกล้ต่อมรรคผลนิพพาน หลวงพายกตัวอย่างอยู่ที่เมืองเมืองชนนะมีเด็กมาถามว่าเดินจงกรมเดินยังไงหลวงพ่อบอกให้ออกมาเดินโชว์หน้าชั้นอย่างนี้คนเยอะๆนะคนเยอะๆเด็กก็เดินออกมาเขาแหวกคนออกมาเรื่อยๆหลวงพ่อบอกใช้ไม่ได้แล้วขนาดเนี้ยเดินแล้วนะทำไมไม่รู้สึกตัวเราคิดว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาปฏิบัติต้องเดินมาถึงหัวทางจงกรมก่อนถึงจะเริ่มนับเวลาปฏิบัติ เนะพราะฉะนั้นตอนที่แหวกคนเดินออกมาเนี่ยเคลื่อนไหวออกมาเนี่ยไม่ต้องมีสติก็ได้นี่อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะเพราะงั้นเราต้องไม่แบ่งแยกชีวิตเราว่าเวลานี้หมดเวลาปฏิบัติแล้วแต่ว่ามีข้อยกเว้นนะเราต้องปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยแต่มีข้อยกเว้นเวลาที่เราทํางานที่ต้องคิดเนี่ยมันดูกายดูใจไม่ได้เพราะธรรมดาของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งได้อย่างเดียวเพราะเขารู้เรื่องที่คิดเรียกว่ารู้อารมณ์บัญญัติเนี่ย เขาจะรู้กายรู้ใจไม่ได้ไม่ต้องตกใจนะนั่นเป็นปกติเนี่ยพอมาถึงต้นทางจงกรมนะตอนแบกคนมาเนี่ยไม่มีสติเพราะถือว่ายังไม่ใช่เวลาปฏิบัติพอมาถึงหัวทางจงกรมนะสิ่งที่ทําก็คือวางฟอร์มเป็นนักปฏิบัติแล้วดัดแปลงกายดัดแปลงใจละที่จริงการปฏิบัติไม่ได้ทําอย่างนี้หรอกนี่คือความสุดโต่งสองข้างข้างหนึ่งคือหลงไปเลยข้างหนึ่งก็คือบังคับตัวเอง การปฏิบัติจริงๆเป็นอันเดียวนะมีสติเมื่อไหรมีการปฏิบัติเมื่อนั้นเผลอเมื่อไรรหรมักขาดการปฏิบัติเมื่อนั้นยังขณะ น, นี้ยมลืมกายลืมใจตัวเองแล้วทราบไหมไมนลืมตัวเองไปแล้ววัวแต่ไปคิดเอานะวัวแต่ไปคิดเอารู้เรื่องที่คิดเมื่อไร่ก็ลืมกายลืมใจเมื่อนั้นแล้วก็ไปเพ่งเงานะก็ไม่ใช่รู้กายรู้ใจแล้วแต่เป็นการเพ่งกายเพ่งใจรู้กายรู้ใจกับเพ่งกายเพ่งใจไม่เหมือนกัน เพ่งกายเพ่งใจมันเกิดจากอยากปฏิบัติล้มลงมือไปจ้องไว้ไปดักดูว่าเมื่อไรจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่รู้กายรู้ใจเนี่ยไม่มีความอยากปฏิบัติเกิดขึ้นก่อนร่างกายหรือจิตใจเคลื่อนไหวไปก่อนแล้วสติระลึกขึ้นมาได้สติจะระลึกตามระลึกไปเรื่อยๆอเชิญคุณที่ถือไมโครโฟนสังเกตไหมตอนที่ถือไมโครโฟนนานๆเนี่ยใจลอยแล้วหัดดูอย่างนี้นะ แบบเรียนนามสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะหนูกําลังสับสนคําว่ากําหนดนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะหนูจะติดกับเรื่องการกําหนดนะเจ้าคะ่ะเพราะว่าปฏิบัติมาประมาณตั้งแต่เด็กๆเจ้าค่ะพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์เปิดทางสว่างให้หนูหน่อยเจ้าคะ่ะคือกําหนดเนี่ยคุณรู้สึกไหมมันเกิดจากเราอยากปฏิบัติก่อนเพราะเราอยากปฏิบัติเนี่ยนะความอยากปฏิบัติจริงๆเป็นตัวกิเลสเสร็จแล้วเราก็เกิดการกําหนดการกําหนดเนี่ย เราทำไปเพราะว่าเราอยากปฏิบัติใช่ไหมหการกําหนดเป็นการกระทำำํากรรมเราเรากำหนดไปเราจงใจไปรู้ลมหายใจรู้มือรู้เท้ารู้ท้องอะไรเนี้ยเพราะว่าเราอยากปฏิบัติแล้วก็เกิดการจงใจกําหนดตัวการจงใจกําหนดคือการกระทำำํากรรมแล้วเราก็ไปคอยรอดูว่าเมื่อไหรจะมีอะไรเกิดขึ้น แต่ว่าถ้าเราสักว่าเรารู้เรื่อหมายถึงว่าอะไรแปลกปลอมเกิดขึ้นก่อนเช่นมีความคิดผุดขึ้นมาในใจเรามีกิเลสผุดขึ้นในใจเราสติระลึกได้เองโดยไม่ได้กําหนดเราจะไม่ได้รอดูนะถ้ากําหนดจะเป็นการไปรอดูไว้ก่อนนะกิเลสเนี่ยมันจะทําให้เกิดการกระทํากรรมมีกรรมแล้วมีวิบาส ก, นะกิเลสกรรมวิบากเรียกว่าไตรวัตไตรวัตตะ สังเกตไหมพอเรากําหนดเมื่อไหร่มันจะแน่นๆขึ้นมาแข็งแข็งขึ้นมาอันนั้นเป็นวิบากเป็นตัวทุกข์นะทำไมมันแน่นๆ่นขึ้นมาก็เพราะเราก็จงใจไปกําหนดตัวจงใจกําหนดคือการกระทำำํากรรมทําไมจงใจกําหนดเพราะอยากปฏิบัตินี่ตัวกิเลสกิเลสกรรมวิบากก็เกิดขึ้นนี้มีกฎของธรรมะอยู่ข้อหนึ่งก็คือกิเลสเนี่ยเป็นตัวทําให้เกิดกรรมก็จริงแต่กิเลสเป็นสหาชาติปัจจัยของกรรมหมายถึงว่าเกิดร่วมกัน กิเลสทำให้เกิดกรรมก็จริงนะแต่ทันทีที่มกีกิเลสก็มีกรรมเลยจับใดที่ยังมีการกระทํากรรมอยู่ด้วยอานาจวงการของกิเลสกิเลสก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นอย่างเราอยากปฏิบัติเราจงใจกําหนดเนี่ยตลอดสายของการกําหนดเนี่ยความอยากยังครอบงําจิตอยู่สติตัวจริงจะเกิดไม่ได้เพราะสติจะไม่เกิดร่วมกับกิเลสเ น, นี่ยลองกลับนิดนึงแทนที่อยู่ๆเราก็จะเริ่มทําท่านั้นท่านี้อันนั้นมันเป็นแค่รูปแบบนะ เราเรียนบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนให้ครบนะเรื่องไตรสิกขาเรียนเรื่องศีลสิกขาเรื่องจิตสิกขาเรื่องปัญญาสิกขาของคุณข้ามบทเรียนไปบทหนึ่งข้ามจิตสิกขานึกออกไหมอยู่ๆล้วก็ไปถือศีลใช่ไหมถือศีลเสร็จแล้วเราก็ไปเดินจงกรมไปนั่งอะไรต่ออะไรนั่งดูกายนะเนี่ยไปพยายามรู้กายรู้ใจมันข้ามบทเรียนไปบทหนึ่งคือจิตสิกขา เราเลยจำแนกไม่ออกว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลแยกไม่ออกว่าจิตอันไหนควรแก่การทำสมถะจิตชนิดไหนควรทำวิปัสนาะเราเลยเอาจิตที่เป็นอกุศลไปใช้นะจิตที่อยากปฏิบัติเอาไปลงมือจ้องพอเข้าใจไหมเข้าใจใเจ้าค่ะแล้วสติไม่ได้แปลว่ากำหนดแลสติในพระใจปีตกคือความระลึกได้ความระลึกได้ก็คือมันไม่เลื่อนลอยไป สังเกตไหมใจของเราเลื่อนลอยลอยไปทางตาลอยไปทางหูจมูกลิ้นกายลอยไปในความคิดคือลอยทางใจลอยทั้งวันรู้สึกไหมพอเราไม่อยากให้ลอยเราก็ไปเท่งเอาไว้กําหนดเอาไว้เพื่อไม่ให้มันลอยไปนึกออกไหมมันคือความสุข ต, ตรงสองด้านด้านหนึ่งหลงตามกิเลสไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงไปคิดนึกอะไรต่ออะไรเพลิดเพลินไปอีกด้านหนึ่งก็บังคับกายบังคับใจทันทีที่เราปฏิบัติ ร่างกายเราก็ไม่เหมือนคนธรรมดาแล้วรู้สึกไหมเราจะยืนเดินนั่งนอนต่างจากปกติละทั้งๆที่เราต้องการเรียนว่าธรรมดาพราะมันเป็นยังไงแต่เราไปดัดแปลงจนมันเหนือธรรมดาซะแล้วนะจิตใจของเราก็นิ่งๆผิดธรรมดาอย่างนี้ก็คือพระอาจารย์แนะนําว่าเราก็คือให้หนูกลับมาเรื่องการดูจิตเพิ่มขึ้นใช่ไหมเจ้าคือหลวงพ่อไม่ได้แนะเรื่องการดูจิตนะการดูจิตไม่ใช่กรรมฐานที่ดีที่สุดนะกรรมฐานที่ดีที่สุดไม่มีนะคะ กรรมฐานน่มันดีสำหรับแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนต้องดูกายบางคนดูเวทนาบางคนดูจิตบางคนดูธรรมไม่เหมือนกันนะทางใครทางมันนะอย่าเรียนแบบกันถ้าเรารู้กายแล้วสติเกิดบ่อยเรารู้กายเอาถ้าเรารู้จิตแล้วสติเกิดบ่อยให้เรารู้จิตเอาตัวสำคัญคือความมีสติตัวสำคัญไม่ใช่รู้กายหรือรู้จิตนะเพราะงั้นอย่างบางคนเราหัดดูท้องพองยุบเนี่ยแล้วใจไหลแวบไปเรารู้ทันเลย อย่างนี้เรียกว่าสติมันเกิดงั้นเราก็ดูท้องของยุคได้นะบางคนเดินจงกรมเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆใจเป็นคนดูนะแต่ไม่ใช่คนเพ่งนะส่วนใหญ่ชอบไปเพ่งนะถ้าสติมันเกิดจริงๆมันเห็นเลยตัวที่กําลังเคลื่อนไหวกําลังเดินอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกวัตถุธาตุหรือรูปหรือหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกําลังเคลื่อนไหวนะถ้าเห็นอย่างนี้ได้ก็ดูกายไปเรื่อยๆนะคนไหนชอบคิดวันๆหนึ่งหา ก, กินกับการคิด เดี๋ยวหลวงพ่อขอดมอยาดมก่อนเหนื่อยนะอย่างเราชอบคิดนะีพวกนี้ให้ดูจิตนะทําไมหลวงพ่อเน้นเรื่องการดูจิตเพราะหลวงพ่อมาสอนคนในเมืองนะพวกเราหากินกับการคิดตลอดวันนะชอบคิดพวกคิดมากเขาเรียกพวกคิตจริตพวกนี้เหมากับการดูจิตนะไม่ใช่ว่าดูจิต ด, ดีที่สุดนะนะมันอยู่ที่ว่าเราเหมาะกับอะไร เด่๋ตอนนี้ใจลอยไปคิดแล้วทราบไหมไม่หัดรู้ไปอย่างเนี้ถ้าใครรู้กายแล้วสติเกิดก็รู้กายบ่อยๆใครรู้จิตแล้วสติเกิดก็รู้จิตบ่อยๆไม่เห็นมีปัญหาอะไรแต่พอสติตัวจริงเกิดแล้วไม่มีคำวมากายกับจิตติดต่อไปแล้วนะมีแต่สภาวธรรมเป็นรูปธรรมนามธรรมเกิดขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้จิตมันรู้ทั้งสองอย่างไม่ใช่รู้อันเดียวนะเบื้องต้นหัดรู้อย่างเดียวก่อน เช่นรู้กายที่ชุดสมมติว่ารู้ลมหายใจเข้าออกเนะีเราเห็นเลยถ้าใจเราเคลื่อนไปจากการรู้ลมหายใจเรารู้ทันนะกายไปเพ่งจิตใจไปเพ่งลมหายใจเรารู้ทันนี่หัดไปอย่างนี้เรื่อยๆพอใจยขยับแวบก็เห็นแวบก็เห็นนะเนี่ยเราเอากายเป็นฐานเราก็รู้ลมหายใจของเราไปเรื่อยๆทุกวันต้องซ้อมรู้ลมหายใจอย่างน้อย10นาที15นาทีนะรู้ลมหายใจแล้วก็คอยรู้เท่าทันใจของเราไปหรือคนไหนฝึก ฉนัดดูท้องพองยุบนะดูท้องพองยุบไปแล้วก็คอยรู้เท่าทัานใจของเราไปดูท้องพองยุบแล้วใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งท้องก็รู้นะใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลคอยรู้เรื่อยๆต่อไปพอจิตใจมันขยับขยีขย้นหรือร่างกายเคลื่อนไหวนี่นะสติเกิดเองแล้วพอสติตัวจริงเกิดเนี่ยไม่มีเลือกสายไหนสายไหนอีกต่อไปละบางทีสติรู้กายบางทีสติรู้จิตเลือกไม่ได้ละกราบขอพระคุณเจ้าค่ะ ฟังหลวงพ่อนะต้องฟัง 2- อสาครั้งถึงจะรู้เรื่องนะงั้นพยายามหาซีดีไปฟังไม่ทราบเขาแจกหรือเปล่าวันนี้เอาซีดีไปฟังนะฟังแล้วฟังอีกหลวงพ่อโฆษณาซีดีหน่อยซีดี <c oughs> หลวงพ่อนะเสียงไม่กางวานแจ่มใสระบบการอัดใช้ไม่ได้นะชัดบ้างไม่ชัดบ้างได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างแล้วถึงได้ยินก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอย่าตกใจนะ ฟังเรื่อยๆไปมีคนที่ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นสภาวะธรรมขึ้นมาจํานวนไม่ใช่คนสองคนนะมีไม่รู้กี่ร้อยคนลนะนับไม่ถูกเน้นฟังแต่ละครั้งสติปัญญาของเราจะไม่เหมือนเดิมเราฟังครั้งหนึ่งเราก็เข้าใจอย่างหนึ่งนานๆปฏิบัติไปนะทามาฟังอีกทีหนึ่งความรู้ความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมหรอกเน้นฟังได้เรื่อยๆน ะ, ะเชิญยม ลกลางธรรมสการ์เจ้าค่ะเพิ่งหักเรียนรู้กายรู้ใจเจ้าค่ะแต่ทีนี้บางยังเผลออยู่บ่อยๆแล้วก็ยังเพ่งอยู่มากเจ้าค่ะแต่ทีนี้ในบางขณะที่รู้เนี่ยไม่ทราบว่าเป็นการคิดไปเองหรือเปล่าเจ้าค่ะคือเวลาที่เรารู้ขึ้นมาเนี่ยพวกเราชอบสงสัยว่าที่รู้นี่ถูกต้องหรือยังนะชอบให้หลวงพ่อรับรองให้นะออกประกาศนัยาบัตรนะ เราสังเกตง่ายๆเลยถ้าหากเป็นการรู้ที่ถูกต้องเนี่ยใจเราจะโปร่งโล่งเบาเลยนะจะสงบสะอาดสว่างรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาเลยใจจะนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวถ้ารู้ขึ้นมาแล้วหนักๆแน่นๆแข็งๆซึมๆทื่อๆแล้วก็ไม่ใช่รู้จริงหรอกนั้นเราคอยรู้สึกเอาคอยรู้ทันสังเกตใจเราว่าพอรู้ตัวแล้วจิตเป็นกุศลหรืออกุศลนะถ้ารู้ตัวได้ถูกต้องจิตจะเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยจะเบา มีละหุตาจะมุทุตามีมุทุตาอ่อนโยนนุ่มนวล น, นะมีกรรมัญญาตาควรแก่การงานคือไม่ถูกกิเลสครอบงำไม่ถูกกระทั่งอยากปฏิบัติครอบงำนะมีปาคุณตาคล่องแคล่วปราดเปรียวไม่ซึงไม่ทื่อนะมีอุชุกตารู้อารมณ์อย่างซื่อตรงรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซ ง, งเห็นไหมถ้าเรายังบังคับใจอยู่หน่อยหนึ่งอันนั้นไม่ใช่รู้จริงถ้ายังหนักๆอยู่ไม่ใช่รู้จริงนะไปดูเานะ การนวัตเจ้าท่านพระอาจารย์แล้วก็หลวงพ่ อ, อ, อหนูก็ปฏิบัติมาเยอะค่ะแต่ว่ามันจะเผลอค่ะเผลอแล้วก็ตอนนี้ตื่นเต้นค่ะดีเก่งนะรู้ว่าตื่นเต้นใช้ได้แล้ะเริ่มใช้ได้แล้ว <c oughs> คือเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อไม่ให้เผลอต้องตั้งหลักให้ดีนะ <c oughs> เราฝึกกรรมฐานเนี่ยเพื่อรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง <c oughs> ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อให้มีสติ ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะไม่ให้เผลอแต่โดยปกติเนี่ยใจของเราเผลอตลอดชีวิตเลยเผลอมาตั้งแต่เกิดตอนนี้รู้จักแล้วใช่ไหมพอดูออกแล้วใช่มเวลามันเผลอไปเนี่ยอพอดูได้แล้วจิตหลุดออกมาอย่างนี้จะรู้เลยว่าตลอดชีวิตเราเนี่ยจริงๆแล้วเราเผลอมาตั้งแต่เกิดเลยในโลกนี้หาคนที่รู้สึกตัวเนี่ยหาแทบไม่ได้เลยเราจะเผลอตลอด นี่พอเราหัดให้มีสติขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรไม่ใช่มีสติเพื่อจะมีสตินะมีสติเพื่อจะรู้ว่าเมื่อกี้นี้เผลอไปแล้ววัตถุประสงค์ต้องการแค่นี้เองแต่เดิมเผลอตลอดคนที่เผลอตลอดเวลาจะไม่รู้ว่าตัวเองเผลออยูย่ก็จะคิดว่าเรารู้สึกตัวอยู่อย่างพวกเราตอนเด็กๆรู้สึกไหมเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกตัวนะแต่พอเราปฏิบัติธรรมจนสติตัวจริงเกิดเราถึงจะใจหายเลยว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้สึกตัว งั้นเรามีสติเนี่ยเพื่อจะรู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามันเผลอหรือเรามีสติขึ้นมาเพื่อจะรู้ว่าเมื่อกี้นี้เผลอแต่ว่าพอมีสติขึ้นมาแวบเดียวมันจะทรงตัวอยู่ได้ชั่วขณะเดี๋ยวมันก็ดับแล้วมันก็จะเผลอครั้งใหม่ดูออกไหมไม่ใช่ฝึกไม่ให้เผลอนะฝึกเพื่อจะรู้ว่าเมื่อกี้เผลอตอนนี้นรู้สึกเดี๋ยวก็เผลออีกรู้สึกอีกเผลออีกรู้สึกอีกเนี่ยเราจะเห็นตลอดเวลาเนี่ยมีแต่เผลอเรารู้เผลอเรารู้เผลอแล้วรู้ฝึกให้เห็นตรงนี้ พอเห็นตรงนี้มากเข้ามาเข้าในที่สุดปัญญามันจะเกิดจิตจะเผลอห้ามมันไม่ได้นะรู้สึกไหมห้ามไม่ได้ไม่ได้เจตนาจะเผลอมันเผลอของมันเองจิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้นึกออกไหมมันรู้สึกขึ้นมาเองนะรู้สึกแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้นะควรู้สึกตัวอยู่ชั่วขณะก็ดับวักไปอีกลงไปอีกเพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ยพอเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้มากเข้ามากเข้าเนี่ยปัญญามันจะแจ้งขึ้นมาจิตที่เผลอซึ่งเป็นอกุศลเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้ จิตที่รู้สึกตัวเป็นกูศนเนี่ยก็เป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งกูศลและอกูสนมีแต่เกิดแล้วก็ดับมีแต่บังคับไม่ได้เสมอกันในที่สุดจิตปล่อยวางทั้งกูศลและอกูศนปล่อยไปพร้อมๆกันด้วยนะงั้นเราปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงนะไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดสตินะสติเป็นแค่เครื่องมือค่ะถ้าบางทีมีเผลอคิดไปแล้วก็เรารู้ว่าเราเผลอแล้วมันจะหยุดเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ เวลาเราเผลอเผลอเผลอไปน้นทันทีที่สติเกิดรับเนี่ยความคิดจะดับทันทีเพราะฉะนั้นคิดกับรู้เนี่ยศัตรูกันหลวงพ่อเทียนสอนเก่งนะหลวงพ่อเทียนลูกศิษย์ท่านชื่อหลวงพ่อคําเขียนหลวงพ่อเทียนไม่อยู่แล้วหลวงพ่อคําเขียนยังอยู่นะแต่เป็นมะเร็งนะท่านสอนดีนะท่านสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดเนี่ยได้ต้นทางของการปฏิบัติแล้วจิตเราจะหลงไปคิดทั้งวันจิตคิดเป็นจิตที่เกิดบ่อยที่สุดเลยเพราะเราจิตคิดเกิดทั้งวัน เป็นจิตที่หลงทางใจดังนั้นถ้าหากเรารู้ทันพระใจไหลไปคิดแวบรู้ทันเราจะตื่นขึ้นในฉับพลันเลยแล้วแว บ, บเดียวนะก็จะไหลไปคิดอีกละแล้วก็รู้อีกไม่ใช่ฝึกเพื่อไม่ให้คิดน ะ, ะถ้าฝึกให้ไม่คิดเราก็เสียคุณภาพของจิตใจหมดเลยกลายเป็นก้อนหินไปแล้วคิดไม่เป็นแล้วหนูควรจะทํายังไงต่อคะควรรู้เรื่อยๆรู้บ่อยๆรู้ตามความเป็นจริงนะหนูอย่าไปทําอะไรขึ้นมานะ หนูรู้ตามที่กายก็เป็นที่ใจก็เป็นแต่ว่ามีศีลห้าไว้กราบในมาตรการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะคืออยากจะถามเรื่องในกรณีที่เราเผลอผิดศีลไปแล้วมันทําให้มีความรู้สึกว่าในการที่เราจะปฏิบัติเนี่ยมีความรู้สึกว่าศีลเราไม่ครบแล้วเราก็ไม่มีสมาธิที่จะปฏิบัติ ไม่ทาบว่พระองค์เจ้าจะแนะนำยังไงเจ้าคะแล้วตอนที่ปฏิบัตินะ่ะผิดศีลหรือเปล่าเปล่าเจ้าคะ อ, อ๋อตอนนั้นมีศีลสิคือเราต้องแยกให้ออกนะว่าอะไรเป็นปัจจุบันนะมีหลักอยู่ข้อหนึ่งนะว่าเวลาที่เราพลาดพลัง้งทบาบาปอกุศลแล้วอย่าคิดซ้ําแต่อย่าทําอีกนะไม่ใช่ไม่คิดซ้ําแล้วทําอีกนะอย่าคิดซ้ําทันทีที่เราคิดซ้ําเนี่ย วิถีจิตมันจะขึ้นอกุศลอีกรอบหนึ่งแล้วะสมมติว่าเราไปบี้มดตายหนึ่งตัววันนี้คิดร้อยครั้งนะคือบี้ร้อยตัวน ะ, ะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดซ้ำํำเราอยู่กับปัจจุบันไปปัจจุบันนี้ยังไม่ผิดศีลเคยมีครูบาอาจารย์สอนนะบอกว่าอย่างชาวประมงมีคน่เป็นชาวประมงมาถามบอกว่าผมเป็นชาวประมงต้องผิดศีลทั้งชีวิตเลยนะเนี่ยผมไม่สามารถปฏิบัติทําไดนะ้นั่นเป็นคนไม่ฉลาดนะ ไปคิดว่าชีวิตมีอันเดียวรวดความจริงชีวิตของเราคือหนึ่งขณะจิตไปปัจจุบันต่างหากในขณะที่กําลังออกเรือไปเราเป็นลูกเรือพรามที้เราไม่ได้คิดเรื่องจับปลาเราก็คิดพุทโธไปรู้ลมหายใจไปรู้ท้องของยุบไปสิขณะนี้ยังไม่ได้ทําผิดศีลนี่ก็เอากุศลไว้สิคนละเวลากันนะต้องแยกให้ออกแต่ไม่ใช่บอกเคล็ดลับอันนี้แล้วไปทําชั่วได้นะเดีย๋ยวบอกทำชั่วแล้วไม่คิดซ้ําไม่บาปไม่ใช่นะบาปนะ <c oughs> สอนโยมต้องระมัดระวังนะโยมเจ้าเล่เยอะะรพเพราะฉะนั้นอย่างทําไมท่านพระองค์คุลีมานประสิทธิ์สมบูาณ์สำเร็จค่าคนได้เก้ายเก้าสบเ้ายังที่ทําผิดศีลน่ะได้ค่าคนบ้างยังยัง เ, ยงเลยนะยังน้อย ก, กว่าพระองคุลีมานอีกนะทำไมพระองค์คุลีมานเข้าถึงธรรมะได้เพราะขนาจิตที่มีสตินั้นจิตมันมีทั้งศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาแล้ว ไม่ใช่ขาดศีลนะการที่เราทำอกอุศลไ้แล้วแล้วเราคอยคิดเนืองๆเ น, องเนี่ยเป็นกิเลสตัวใหม่ที่ชื่อว่ากุ ก, กุจจากุ ก, กุจจาเป็นกิเลส ท, ที่คอยหลอกหลอนนักปฏิบัตินะกุ ก, กุจจาเนี่ยเป็นความเร่าร้อนใจว่าเราได้ไปทำชั่วมาแล้วกุ ก, กุจจาเป็นความเร่าร้อนใจที่ว่าความดีนั้นเรายัางทาไม่เสร็จนะตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้เนิ่นช้านะให้คอยรู้ทันไว้ั้งรู้มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะ หัวขาดกรับผมจะทําความสงบได้ไงครับผมสังเกตสองอาทิตย์หลังนี่มันผมว่าผมมั่วขึ้นเยอะเลยครับเออนะใจใจมันฟุ้งซ่านเวลาที่ใจฟุ้งซ่านทําได้หลายอย่างนะอันแรกเลยถ้าเราใช้วิปัสสนาเนี่ยเราจะดูลงไปที่ใจฟุ้งซ่านแล้วเราเห็นว่าความฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่จิตนะ ทำฟุ้งซ่านจะอีกสิ่งหนึ่งใจอยู่ทางหาบใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูถ้าอย่างนี้ก็หายฟุ้งซ่านอันที่สองทำสมถะถ้าทําสมถะอะไรไม่ได้นะท่องพุโทโูไว้ก็ได้นะให้ใจไปเคล้าอยู่ในอารมณ์เดียว อ, อย่างต่อเนื่องใจก็ไม่ฟุ้งซ่านนะมีให้เลือกนะอยําอะไรก็ได้คือกรรมฐานมีเยอะแยะขั้นแรกสุดเลยใจฟุ้งซ่านอย่าไปเกลียดเขานะ ถ้าเราไม่ชอบเรามีโทสะขึ้นมาจิตใจจะไม่มีความสุขทันทีที่จิตใจไม่มีความสุขจิตใจยิ่งฟุ้งซ่านหนักกว่าเก่าอีกเพราะฉะนั้นเวลาที่ใจมันฟุ้งซ่านขึ้นมาให้รู้อย่างเป็นกลางอย่าไปเกลียดอย่าไปเกลียดความฟุ้งซ่านแล้วก็ค่อยๆดูไปว่าความฟุ้งซ่านเป็นแค่สิ่งที่จิตไปรู้เข้าอย่างนี้ก็ใช้ได้นะหรือทําใจให้สบายลืมเรื่องว่าใจฟุ้งซ่านอย่าไปเกลียดมันอย่าไปอยากให้หายนะ หายใจไปดูท้องฟองยุบไปพุทโธไปแล้วแต่ถนัดอะไรก็ได้เหมือนกันทั้งนั้นแหละกนะรรมฐ า, านทั้งหลายนี่เหมือนกันหมดนะจะสำนักไหนแต่เหมือนกันในขั้นของสมถะนะส่วนในขั้นของวิปัสสนาเนี่ยไม่มีสายไหนสายไหนแล้วทันทีที่สติเกิดบางครั้งก็รู้กายบางครั้งก็รู้จิตแล้วก็เห็นกายตามความเป็นจริงว่ากายนี้มันเป็นวัตถุธาตุนะมีความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลา จิตนี้เป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นความจริงอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นสายไหนสายไหนนี้เป็นแค่จุดตั้งต้นเท่านั้นเองนะอย่าทะเลาะ ก, กันนะขออนุญาตหลวงพ่อครับคือปกติที่เวลาฝึกเนี่ยถ้าผู้ดู่าเวลาเราเผลอหรือว่าเวลาเราคิดเนี่ยก็ค่อนข้างจะระลึกรู้ได้ชัดเจน เวลาที่เรามาระลึกรูก้จิตหรือกู้รู้กายเนี่ยก็ผมไม่แน่ใจว่าตัวผมเนี่ยไปเพ่งหรือไปภาค ก, กับเพ้กับตัวเองหรือเปล่าอ ย, ยังเพ่งอยู่อย่างขนาจิตนี้ก็ยังเพ่งอยู่ดูออกไหมขนาดจิตเนี้ยนะเราก็ยังติดเพ่งอยู่คุณต้องลดความจงใจปฏิบัติลงนิดนึงแต่ไม่ขี้เกียจนะทําไปเรื่อยจะดูท้องพองยุบจะอะไรเคยทาอะไรก็ทําไปเถอะแต่ว่าคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆ อย่าสนใจว่าจะรู้ถึงเมื่อไหร่สติเขาจะเกิดเองเมื่อจิตจาสภาวะได้ก็คือแปลว่าถ้าเวลาที่เราเต้องการรู้กายรู้ใจเนี่ยเราก็ปล่อยปล่อยให้เขารู้ของเขาเองไม่มีกาเบื้องต้งตน ไ, ไม่ใช่ปล่อยนะเบื้องต้นเลยคนยังไม่เคยหัดเนี่ยต้องจงใจรู้อันใดนหนึ่งก่อนนะจงใจรู้เพื่ออะไรเนี่ยตรงนี้มีปัญหาละพวกเราชอบไปจงใจเช่นไปดูท้องท่องยุค หรืรู้ลมหายใจเราไม่รู้ว่ารู้เพื่ออะไรแท้นะจริงเนี่ยถ้าเราต้องการเดินมิปัสสนาต่อไปเนี่ยเรามารู้อารมณ์อันเดียวหรือวิหารธรรมหรือเครื่องอยู่หรือกรรมฐานอันใดนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะหัดรู้สภาวธรรมนะยกตัวอย่างเรารู้ลมหายใจเข้าออกเราก็ต้องหัดรู้รูปกันนามรู้ท้องพองยุบก็หัดรู้รูปกันนามเหมือนกันนะรู้ลมหายใจเช่นเราเห็นตัวนี้หายใจอยู่ใจเราเป็นแค่คนดู เราเห็นร่างกายมันหายใจไปเรื่อยๆใจของเราเป็นคนดูเนี่ยเราเริ่มหัดรู้รูปแล้วนะเราเห็นว่ารูปหายใจเข้ารูปหายใจออกไม่ใช่เราหายใจละหรือเราหายใจเข้าหายใจออกจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้อันนี้เป็นการหัดรู้นามธรรมรู้จิตรู้ใจเนี่ยพอหัดอย่างนี้มากเข้ามากเข้ า, ขาจิตจำสภาวะได้พอจิตจาสภาวะได้แม่นสติจะเกิดเอง ในพระพิธรรมสอนบอกว่าเหตุใกล้ของสติเหตุที่ทําให้สติเกิดได้ง่ายเนี่ยชื่อว่าธิระสัญญาทอถุงสลายรอเรือธิระที่แปลว่าสถียนธิระสัญญาการจําสภาวะได้แม่นเพราะหน้าที่ของเราก็คือต้องหัดรู้สภาวะเจนกระทั่งจิตจําสภาวะได้แม่นถ้าไม่รู้สภาวะอะไรมากมายนะรู้อันเดียวก็พอรู้ว่าจิตนีไปคิดเมื่ะจิตนี้ไปคิดเนี่ยเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดในบรรดาสภาวะธรรมทั้งหลาย อย่างจิตที่เป็ น, นกุศลกากุศลอากุศลเกิดบ่อยนะกุศลเกิดน้อยนี่โดยธรรมดาเลยนะอากุศลมีโลภโกรธหลงหลงเกิดบ่อยโลภกว่โกรธมีน้อยกว่าหลงหลงมียังไงบ้างหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงทางใจคือหลงไปคิดได้เกิดทั้งวันเลยหลงทางตาแวบเดียวก็ไปคิดต่อหลงทางหูแวบเดียวก็ไปคิดต่ออยู่เฉยๆก็แอบไปคิดอีกลนะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกสภาวะไม่ได้มากนะหัดสภาวะอันเดียวก็ได้ เรานั่งพุทโธพุทโธไปหายใจไปเดี๋ยวใจก็เผลอแวะไปคิดเรื่องอื่นละให้เรารู้ทันแล้วก็กลับมาพุทโธต่อแต่อย่าบังคับใจไม่ให้หนีไปนะไม่ได้ฝึกบังคับนะตัวนี้ที่พวกเราคลาดเคลื่อนอย่างเราดูท้องพองยุ่งก็บังคับไม่ให้เคลื่อนไปจากท้องดูลมหายใจไม่ให้เคลื่อนไปจากลมขยับมือไม่ให้เคลื่อนจากมือนั้นเป็นเรื่องของสมถรถะแต่ถ้าเราจะหารู้สภาวะเนี่ยเราไม่บังคับเราเรารู้ลมหายใจไปใจเคลื่อนไปจากลมหายใจไปคิดเรื่องอื่นรู้ทัน เดก็คิดอีกก็รู้ทันอีกในที่สุดจิตมันเห็นจิตที่หลงคิดบ่อยๆนี่มัจะจําสภาวะแห่งการหลงคิดได้นะต่อมาพอเราอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยพอจิตไหลไปคิดวัดสติเกิดเองเลยสติเกิดเองนะศีล ส, สมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นฉับพลันเลยนะโดยเฉพาะศีลกับสมาธิเกิดทันทีเลยนะปัญญาก็จะเริ่มค่อยๆสะสมไปนะจะเห็นว่าจิตจะหลงไปคิดห้ามไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวรักษาไว้ก็ไม่ได้เห็นะอย่างเงี้ยซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีก ถึงจุดหนึ่งปัญญามันแจ้งจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกจะหลงไปเป็นอกุศลหรือรู้สึกตัวเป็นกุศลเนี่ยเราสั่งไม่ได้เป็นของไม่เที่ยงทั้งหมดเลยเราสั่งไม่ได้ด้วยนจิตทั้งหมดเป็นอนัตตาผู้ใดเห็นอย่างนี้นะจิตจะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันกราบลบกวนอาจารย์อีกข้อหนึ่งครับคือการดูจิตที่ถูกต้องเนี่ยคือการไปการดูจิตที่ถูกต้องเนี่ยคือการไประลึกรู้ ตัวรู้อีกทีหนึ่งใช่ไหมครับไม่ใช่อย่าอย่าไประลึกรู้ตัวรู้นะหลวงพ่อเคยพลาดไงท้องมาแล้วการระลึกรู้จิตเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเราดูจิตตรงๆไม่ได้หรอกเพราะจิตันไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เฉยๆดังั้นเวลาเรารู้จิตเนี่ยเรารู้ผ่านสิ่งอื่นเช่นเรารู้ผ่านความรู้สึกงนั้นให้คอยรู้ความรู้สึกไว้นะไม่ใช่รู้ความคิดด้วยนะ เช่นเราคิดถึงคนนี้คิดถึงสาวคนหนึ่งแล้วราคาเกิดขึ้นมาให้เรารู้ว่าจิตมีราคาให้มาให้รู้ราคาเนี่ยเราจะเห็นเลยจิตที่มีราคาเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่มีโทสะเกิดแล้วก็ดับไปอย่าไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้นะถ้าไปจ้องใส่ตัวผู้รู้จะพลาดลนะตัวผู้รู้จะกลายเป็นตัวถูกรู้มันจะซ้อนเข้าไปอีกหลวงพ่อเคยทําผิดนะแต่ก่อนนี้ไปหัดอยู่วัดแห่งหนึ่งหลวงพ่อท่านก็เก่งนะองค์ที่สอนนะ่ะท่านเห็นหลวงพ่อเนี่ยถล่มลงไปดูจิตลึกๆ ท่านก็บอกพระโมทจิตมันไม่ได้อยู่ที่นั่นซะหน่อยถลําลงไปดูมันเนี่ยลงไปดูมันทําไมมันไม่ใช่จิตท่านบอกงนี้เออเราก็มานึกเนี่ยจิตมันเป็นคนดูเนี่ยงั้นเราต้องมาเพ่งใส่ตัวผู้ดูแทนได้ได้รู้สึกว่าได้วิชาเด็ดแล้วนะเข้าประตูเลยปิดกุฏิเลยนะนั่งดูตั้งแต่หัวข้ามยันสว่างไปดูตัวผู้ดูพอจงใจดูตัวผู้ดูนะตัวผู้ดูกลายเป็นสิ่งที่ถูกดูไว้ละ กลายเป็นตัวถูกรู้นะแล้วมีตัวผู้ดูลึกเข้าอีกเราก็ดูตามตัวผู้ดูเขาไปลึกๆๆนะปวดหัวเลยนะเครียสดสุดๆเลยนี่เราดูผิดอ่ะหลวงพ่ออ่นะดูไปดูไปพอใกล้ช้าโมโหโตเต็มทีแล้วนะแม้มาสอนเราจนเราปฏิบัติกรรมฐานจะแตกแล้วหัวก็จะแตกโมโหนะหลวงพ่อคืนนี้สอนอะไรไม่รู้เรื่องพระสว่างนะผลักประตูออกมาจะไปเอาเรื่องท่านน ะ, นะท่านก็ฉลาดกว่าเราเอีก ท่านฝากประตูคร้อมออกมาก่อนเราอีกนะกุฏิก็อยู่ใกล้กันเพราะรักหลวงพ่อนะเปิดประตูพวดชี้หน้าเลยพระมอภาวนาไม่ได้เรื่องเลย <c oughs> เล่นเราก่อนนะเราก็บอกก็หลวงพ่อแหละมาสอนให้ผมดูตัวผู้ดูนี่ท <c oughs> ่านบอกไม่ได้สอนซะหน่อยะท่านบอกว่าอย่าถลําลงไปดูอย่าถลําตามอารมณ์ไปนี่ <c oughs> บอกแม่แล้วทําไมไม่บอกอย่างนั้น น, ะน่ะมาบอกว่าไอ้ตรงนั้นมันไม่ใช่จิตนี่ยเราก็เลยนึกว่าให้ดูจิตคือดูผู้ดูนะดูผิดนะ เสียเวลานานเลยถ้าดูตัวเนี้แต่เราแยกแยกดูโดยไม่ถลำในนัได้ไหมครับอะไรนะคือม่ถึงว่าเราเราดูแต่ว่าเราไม่ไม่ถลำเข้าไปอย่างนี้ครับดูอยู่ห่างๆได้แต่อย่าจงใจไปดูนะมีหลักอยู่ข้อนึงก็คือสติจะระลึกรู้อะไรก็ให้เขาระลึกรู้อันนั้นอย่าจงใจเอาสติไประลึกอะไรเข้าถ้าเจอด้วยความจงใจเมื่อไหร่กิเลสจะแทรกเลยสติจะไม่เกิดแล้วอย่างตอนนี้ใจมันแอบไปคิดทราบไหม พอฟังหลวงพ่อ hmm. พ well, like ูดก pues. nope. like ็เอาไปตรึกตรองเนี no ่ยใจมันไหลแวบไปไปตรึกตรองของมันเองเราไม่ได้เจตนาจะตรึกตรองแล้วเราก็เกิดรู้ทันมันขึ้นมาเนี่ยรู้ไปอย่างนี้ง่ายๆเนี่ยแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมเออหัดอย่างเนี้ยใจไหลไปคิดเรารู้ไหลไปคิดเรารู้นะง่ายอย่างนี้เลยครับง่ายแค่นี้แหละขอบขอบพระคุณมากหลวงพ่อจะบอกให้นะการปฏิบัติจริงๆง่ายสุดๆเลยนะง่ายสุดๆเลยครูบาอาจารย์ที่สอนหลวงพ่อแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ย เราไปนั่งอยู่กับท่านเนี่ยบางทีท่านก็ปรารบธรรมะนะเออมันง่ายนะการปฏิบัตินี่ง่ายนะตั้งแต่หลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศนะเขาพูดว่าง่ายนะมาเจอครูบาอาจารย์รุ่นหลังลงมาเนี่ยหลวงปู่สุวัสดิ์เลยเนะี่ยท่านก็บอกว่าง่ายนะลูกศิษย์หลวงปู่ดูลรุ่นพี่หลวงพ่อที่หลวงพ่อมนตรีนะวันหนึ่งท่านก็ปรารบแต่นะั้นหลวงพ่อยังเป็นขลาวาสอยู่บปราโมทการปฏิบัติมันง่ายนะง่ายจริงๆเลยง่ายจนยากอ่ะง่ายนที่ไม่ถึงอะ่ะ แล้วนึกว่ามันจะต้องยากแล้วท่านก็นิ่งๆไปพักหนึ่งนะแล้วก็บอกว่าอืแต่มันก็ยากเหมือนกันแหละพูดอย่างนี้หลายองนะหลวงปู่สุวัสดิ์ก็บอกมันง่ายง่ายนะแล้วก็เงียบๆไปแล้วก็มันยากเหมือนกันแหละทําไมมันยากอนะ่ะพวกเราใจไม่ถึงพวกเรากลัวโง่พวกเราชอบคิดค้นกว้ามากไปแทนที่เราจะรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นเราชอบไปบังคับกายบังคับใจหรือไม่ก็ไปคิดมากนะ มันน่าจะอย่างนั้นมันน่าจะอย่างนี้คําว่าน่าจะน่าจะเนี่ยหลอกลวงเราทําให้เราไม่เห็นของจริงก็แต่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้นะถ้าดูของจริงลงไปเราไม่ยากหรอกอ้อกรรมการช่วยแล้วของหนะ้าญาติโยมเอาของให้หลวงพ่อเยอะแยะนะแต่ละวันแต่ละวันหลวงพ่อไม่ได้เอาไปทิ้งนะหลวงพ่อส่งไปส่วนมากส่งไปทางอีสานส่งไปวัดที่ท่านไม่ค่อยมี บางวัดนะโจนโจนนะบางวัดเนี่ยฉันข้าวเหนียวกับเกลือกับพริกป่นอะไรเงี้ยนะได้ของที่พวกเราชาวเมืองส่งไปให้นะท่านก็มีความสุขขึ้นมีกำลังมากขึ้นนะหลวงพ่อก็อนุโมทนากับพวกเราด้วยเชิญกลับบ้านเนาะนี่ประโยคเด็ดเนี่ย